บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งพระพุทธคุณบทว่าพระกวาตอนต่อไปนั้นท่านแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้จำแนกซึ่งธรรมคือการชี้แจงแสดงธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา เพื่อขัดเกลาอัธยาสัยของบุคคลผู้ฟังให้มีความสงบประนีตริงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับในที่หนึ่งพระพุทธมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักการฝึกปรือคนของพระองค์แก่ท่านคณะกะโมกกะลานะเป็นใจความว่าตถาคตย่อมแสดงธรรมที่มีความประนีต ขึ้นไปโดยลําดับเพื่อฝึกปลือผู้ปฏิบัติให้ได้เรียนรู้ปฏิบัติขัดเกลาไปตามลําดับเช่นเดียวกับสารถีผู้ฝึกสอนคนให้ขี่ม้าย่อมสอนไปโดยลําดับเช่นนั้นธรรมะที่ทรงแสดงไว้ตามลําดับในทีน่นี้ทรงชี้ไปที่ให้ผู้ปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการควบคุมอาการกายวาจาของตนให้เป็นไปตามระเบียบของศีลที่ทรงกำหนดไว้ซึ่งศีลนั้นอันที่จริงแล้วบุคคลสามารถสร้างความสํานึกยอมรับในแง่ที่เอาใจเขามาใส่ใจเราได้หรืน อ, อย่างสำนวนบาลีที่ใช้คำว่าทำตนให้เป็นอุปมาแล้วก็คิดเอาได้ ศีลคือเจตนาที่จะวิรัติงดเว้นจากการกระทาบางอย่างซึ่งมีลักษณะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นบุคคลผู้มีศีลอาการทางกายทางวาจาจอมเป็นปกติคือไม่กระทบกระทั่งต่อร่างกายทรัพย์สินและประเวณีของบุคคลอื่นเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นจากการมีศีล ที่ทรงแสดงไว้และเห็นได้ในขณะนั้นๆก็คือความเยือกเย็นกายเพราะสงบเวนภัยอันจะเกิดขึ้นจากการประทุสร้ายตอบของบุคคลอื่นเป็นต้นได้และนอกจากนั้นยังอํานวยผลในลักษณะที่เป็นบันไดเพื่อนำบุคคลให้เข้าสู่ความสงบประนีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอย่างที่สรงแสดงไว้ในตอนท้ายของศีล ซึ่งได้สมาทานไปแล้วว่าศีลนําให้บุคคลเข้าถึงสุคติและบุคคลจะได้โภพกสมบัติทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะและส่วนที่เป็นโลกุตระกับพระศีลศีลยังเป็นบันไดีดที่จะนําบุคคลเข้าไปสู่ความสงบความดับความเย็นอย่างแท้จริงคือพระนิพพานในชั้นต่อไปก็ทรงแสดงหลักของอินทรียสังวร คือการสํารวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ขั้นตอนแห่งการระวังนั้นทรงแสดงไว้หลายช่วงด้วยกันแต่ว่าในชั้นนี้เพียงแต่ระวังใจไว้ย่ามเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้เกิดความกาหนัดกัดเคืองลุ่มหลง มัวเมาเพราะอาศัยอารมณ์เหล่านั้นเป็นเหตุเพราะถ้าหากว่าจิตเกิดความกำหนัดเป็นต้นขึ้นมาแล้วจะเป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสสายโลภให้สูงขึ้นภายในจิตใจถ้าเกิดขัดเคืองก็เป็นการเพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นเกิดลุ่มหลงมัวเมาก็จะเป็นการเพิ่มกิเลสสายโมหะให้สูงขึ้นซึ่งการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะขัดเกลากิเลสหรือสนิมใจให้เบาบางลงไปบุคคลสามารถกระทําโดยวิธีใดที่จะขัดเกลาจิตใจให้เบาบางจากกิเลสเหล่านั้นได้ก็ให้ใช้วิธีนั้นดังนั้นชั้นแห่งการสํารวมระหวังนี้บางคราวก็ทรงสอนให้ทําความรู้สึกเพียงว่าสักแต่ว่าเท่านั้นอย่างที่ทรงสอนท่านภายะ ตารุจิรยะซึ่งกราบทูลขอพรอให้ทรงแสดงธรรมะโดยสรุปแก่ท่านพระพุทมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นใจความว่ารู้ก่อนพายะเมื่อเห็นอยู่เธอพึงทำความรู้สึกว่าสักแต่วระเหนเมื่อได้ยินก็พึงทำความรู้สึกว่าสักแต่ได้ยินเมื่อได้ทราบก็พึงทำความรู้สึกว่าสักแต่ได้ทราบ และเมื่อรู้ก็พิงทำความรู้สึกว่าสักแต่วรู้เท่านั้นไม่ได้นำเรื่องเหล่านั้นเข้าไปปรุงคิดหรือคิดปรุงในส่วนที่เป็นการเพิ่มกิเลสให้สูงขึ้นดังที่เดก่ามาแล้วการทำความรู้สึกในชั้นนี้มุ่งหมายเพียงการได้เห็นเป็นต้นในทางที่ก่อให้เกิดกิเลสเท่านั้นส่วนในทางที่เพิ่มอโลภะความไม่โลภ โทสะความไม่โกรธะโมหะความไม่หลงนั้นบุคคลจะต้องนำไปพินิษพิจารณาและยึดถือเป็นหลักในการขัดเกลารจิตใจเพราะคุณธรรมส่วนนั้นเป็นการเสริมสร้างปัญญาความรู้ให้สูงขึ้นภายในจิตใจและสามารถสลายกิเลสสายโลภะโทสะโมหะดังกล่าวแล้วให้เบาบางลงไปตามลําดับการสํารวมระวังในลักษณะนั้น ทรงแสดงไปว่าเมื่อพระพา ย, ยะทารุจิรยะท่านทำได้ท่านนั้นก็จะไม่มีในโลกนี้และจะไม่มีอีกในโลกอื่นซึ่งหมายความว่าด้วยการปฏิบัติสํารวมระวังอินทรีย์ที่ได้กล่าวแล้วนั้นเป็นบันไดที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สามารถบรรลุมรรคผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน และในชั้นต่อไปนั้นทรงแสดงในรูปของความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าประมาณในการบริโภคนั้นหมายถึงชั้นของการสแสวงหาชั้นของการใช้สอยและชั้นของการซื้อหาจับจ่ายซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของบุคคลการสแสวงหาถ้าหากว่าเริ่มต้นไปด้วยความโลภแล้ว หากบุคคลไม่มีสติยักยั้งควบคุมเอาไว้ต่อไปก็จะออกมาในรูปทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างในชั้นของการบริโภคก็เหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลไม่มีความรู้จักประมาณไม่รู้จักถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคใช้สอยปัจจัยต่างๆแล้วโอกาสที่จะหมกมุ่นสยบติดอยู่ในราบสการะเหล่านั้นก็จะมีได้ง่าย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงโทษของสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวโดยสรุปก็คือพวกวัตถุการมทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเครื่องที่ทําให้บุคคลสยบติดทําให้มัวเมาลุ่มหลงเพลิเพลินและโอกาสที่จะกระทําทุจริตเพราะวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นเหตุก็มีได้ง่ายในชั้นของการบริโภคซื้อหาจับจ่ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าขาดการรู้จักประมาณความพอเหมาะพอควรแล้วก็จะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนแม้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งคือในช่วงของการแสวงหาการบริโภคและการซื้อหาจับจ่ายแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริโภคคือเครื่องกังบลสำหรับบุคคลเหล่านั้น เวลาจะทำจิตใจให้สงบเป็นกรรมฐานหรือแม้จะใช้ปัญญาพินิษฐปิจาในหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็ตามความรู้สึกกังวลห่วงใยในเรื่องเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางเอาไว้เช่นจะให้จิตสงบก็สงบไม่ได้จะให้ใช้ปัญญารวมตัวขึ้นมองเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงก็จะมองเห็นไม่ได้เพราะว่าพลังจิตในส่วนสมาธิและส่วนปัญญาได้ถูกแบ่งแยกไป เพราะเหตุเครื่องกังวลต่างๆเหล่านั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าหากไม่รู้จักประมาณทั้งในสามช่วงดังที่กล่าวมาแล้วเวลาแห่งชีวิตของบุคคลส่วนมากก็จะต้องสูญเสียไปเพราะปัจจัยการดำรงชีวิตโอกาสที่จะสร้างสมส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าเป็นอนุกกามินีคือติดตามเราไปได้ก็จะโหดสั้นเข้า หรือบางทีอาจจะไม่มีเสียเลยก็ได้ดังนั้นความเป็นผู้รู้จักประมาณจึงทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากเช่นในโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นหลักพระพุทธศาสนาในหกข้อสุดท้ายก็ทรงเน้นไปที่มัตตันยูตาจพัตสัมมิงคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคพัตตารและทรงแสดงว่า ความรู้จักประมาณนั้นย่อมกอบให้เกิดประโยชน์ที่สมเร็จในหลักธรรมสำหรับคนดีจะเรียกว่าสัพริสธรรมคือธรรมะของคนดีนั้นก็ได้แสดงหลักมตัตัญญาตาคือความเป็นผู้รู้จักประมาณเอาไว้เพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักประมาณทั้งสามฐานะดังที่กล่าวมาแล้วโอกาสที่จะรักษาความดีสาหรับคนดีเอาไว้ก็จะมีไม่ได้ เพราะถึงจุดหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาความจำเป็นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นบุคคลอาจจะละเลยธรรมะทอดทิ้งธรรมะไปเพราะความไม่รู้จักประมาณเป็นเหตุก็ได้และเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วจะเห็นได้ว่าก็ทรงสอนให้บุคคลมีหลักพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมีความจำเป็นแก่การดำรงชีวิตแต่ว่าเป็นอาหารของร่างกายเป็นความจาเป็นทางร่างกาย บุคคลขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการสยบติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วจึงทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เรียกว่าปัจยะปัจจเวะคณะคือให้พิจารณาเสียก่อนในการบริโภคปัจจัยสีทั้งในชั้นของการสแสวงหาการใช้สอยและการซื้อหาจับจ่ายดังกล่าวแล้วเพราะถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพิจารณา ถึงวัตถุประสงค์ที่ตนเจพึงได้อย่างแท้จริงจากปัจป จ, จัยสีแล้วก็จะสามารถสำรวมระวังไม่สยบติดเป็นทาตของปัจจัยสีเหล่านั้นได้ตนเองจะกลายเป็นนายของปัจจัยสี่แทนที่ปัจจัยสี่จะเป็นนายบังคับใช้ตนให้ตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นชั้นของศีที่มีความประนีตขึ้น พระพุทองค์ก็จะทรงแสดงหลักที่เป็นบันไดชั้นที่สองโดยเริ่มให้คนมีหลักของสติสัมปชัญญะซึ่เรื่องของสติสัมปชัญญะนั้นดังที่เคยกล่าวมาบ่อยๆว่าเป็นหลักธรรมที่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเพราะว่าพระอรหันต์นั้นได้จัดสรุธรรมะด้วยปัญญาอย่างสูงและมีสติสมบูรณ์อย่างเต็มที่ สติกะสัมปัญญาจึงต้องเริ่มต้นพัฒนาปรับปรุงให้มีปริมาณสูงขึ้นภายในจิตใจเพราะสตินั้นมีความไม่หลงเป็นลักษณะมีความไม่เผลอเรอไม่พลังพลาดเป็นกิจการงานที่จะต้องทำาสราบใดที่บุคคลยังมีสติอยู่ไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ตามความพลังพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้หลักการฝึกปรือสติของพระผู้มีพระภาคเจ้า บางอย่างจึงมีความละเมียดละไมามากเช่นทรงสอนไว้ในอิริยาบในสัมปชัญญปะปปะเป็นการฝึกสอนให้คนมีสติอยู่ทุกอิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนหยิบของบริโภคดื่มกินเคี้ยวเป็นต้นก็ต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเพื่อเมื่อฝึกปลือสติจนปนไปได้โดยอัตโนมัติไม่มีความเผลอเรอพลังพลาดแล้ว เวลาจะไปทำงานอย่างอื่นสติก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นตัวสติยังเป็นธรรมะที่เรียกว่าปิดกระแสะแห่งตันหาปิดกระแสะแห่งกิเลสเอได้ถ้าหากว่าสติของบุคคลระลึกรู้เท่าทันคือทำหน้าที่คล้ายๆกับคนเฝ้าประตูสถานที่ใดที่หนึ่งหน้าที่ของคนเฝ้าประตูนั้นจะต้องรู้ว่า ใครควรปล่อยให้เข้าไปและใครไม่ควรปล่อยให้เข้าไปคนบางคนที่เข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปหรือเข้าไปแล้วเป็นอันตรายต่อสถานที่เหล่านั้นคนข้าประตูก็ไม่ปล่อยให้เข้าไปเช่นใดสติถึงตามหน้าที่เป็นนายประตูรักษาคุ้มครองจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นอารมณ์อันใดที่ผ่านเข้าไปสู่จิตแล้วสร้างความเศร้าหมองขุดมัวเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับจิต สติก็จะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้สติจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากและบุคคลจะต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้ในายามหลับถ้าหากท่าเป็นการหลับอย่างมีสติแล้วพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงแสดงไว้ว่าจะทำให้บุคคลผู้นั้นนอนไม่ฝันร้ายและตื่นขึ้นมาเป็นสุขเป็นต้น ส่วนสมามปัญญาซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาแต่ทรงใช้ในรูปที่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้มีขอบข่ายที่บุคคลจะต้องใช้ในหลายด้านด้วยกันเช่จนจะต้องมีความรู้อย่างแท้จริ ง, งถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต้องแยกให้ได้อย่างชัดเจนรู้ถึงการดำเนินของกายและดำเนินของจิตว่าไปในสถานที่ใดแล้ว เกิดประโยชน์มีผลเป็นความสุขไปในสถานที่ใดแล้วเสียประโยชน์และมีผลเป็นความทุกข์ก็ต้องแยกให้ได้แม้กระแสะแห่งความคิดที่เรียกว่าวิตกบดคือทางของวิตกได้เกิดความสึกนึกของบุคคลความสึกนึกบางอย่างนั้นเมื่อเข้าไปในคลองของอกุศลแล้วมีแต่ความหมกมุ่นกังวลเดือดร้อนด้วยประการต่างๆก็ต้องเว้นทางเหล่านั้น ส่วนความวิตกสึกนึกอันใดที่เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนส่วนกุศลให้สูงขึ้นก็ให้สึกนึกในอารมณ์เหล่อนั้นและจะต้องรู้ส่วนที่เรียกว่าเป็นสัพปายะคืออํานวยความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนและความสบายนั้นมุ่งทั้งทางกายและทางจิตใจของผู้นั้นเช่นว่าในส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของอารมณ์ที่จะใช้สําหรับกําหนดระลึกในเรื่องของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหาสมาคมกันซึ่งในทางศาสนาเน้นไปที่ความมีกัลยาณมิตรความหมายของคําว่ากัลยาณมิตรนั้นนอกจากจะหมายถึงเพื่อนที่ดีๆแล้วยังหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจา้าซึ่งทรงเป็นกันลยาณมิตรของพุทธบริษัททั้งหลายอีกด้วยสปายะเหล่านี้ถือว่า เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากการปฏิบัติของบุคคลบางคนยังอื่นพร้อมทุกอย่างแต่มาเสียในด้านสปายะเช่นมีปัญหาในเรื่องที่อยู่บ้างมีปัญหาในเรื่องอาหารบ้างในเรื่องอากาศบ้างในเรื่องอารมณ์ของธรรมะบ้างหรือบางทีก็มาเป็นปัญหาในเรื่องบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องก็ผาสมาคมกันแต่ละอย่างนั้นถ้าหากว่า กลายมาเป็นปัญหาแล้วสามารถที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางจิตใจของบุคคลให้สูญเสียความสงบไปได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างในกรณีของธรรมะที่มากำหนดลึกมากำหนดพินิษ์พิจารณานั้นพระเทระบางองค์ในสมัยพุทธกาลได้กรรมาฐานที่ไม่ถูกกับจริตคือไม่สบายสำหรับท่านปฏิบัติอย่างไรความสงบก็ไม่บังเกิดขึ้นแต่เมื่อมาถึงพุทธสานักแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจสอบอินทรียาศัยของท่านผู้นั้นแล้วก็ให้กรรมฐานที่คล้อยตามจริตอันรยาสัยของท่านความเพ็งเพียนเพียงวันเดียวก็บรรลุมรคผลในทางศาสนาได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นเครื่องสบายและไม่สบายแก่ตนที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องความเป็นความรู้ที่ไม่หลงในลักษณะยึดติด หรือฝังแน่นอยู่ในความเชื่อถือลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งแต่ละอย่างนั้นอยู่ในขอบข่ายของศีลปฏตรปรามาตคือความถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าเป็นสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ประการนั้นเมื่อบุคคลได้หลักคือสติสัมปชัญญะดังที่กล่าวแล้วก็จะทรงสอนให้บุคคลเสพเสนาสะนะอันสังข์ ที่ปราศจากเสียงรบ ก, กวนเพราะว่าตัวเสนาสะนะอันสงัดนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องแสวงหาเสนาสะนะในลักษณะนั้นอย่างที่ทรงเลือกเอาตําบลรุเวลาเสนานิคมเป็นที่บำเพ็ญเพียรก็ทรงพิจารณาเห็นว่าสถานที่นั้นเงียบสงัดจากเสียงรบ ก, กวนกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีคนพุกพ่าน กลางคืนไม่มีเสียงรบกวนทั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ใ, ในรัญชาเวลาจะเที่ยวไปพิกขาจารย์บนทบาทก็ไม่ไกลจากบ้านคนจนเกินไปเป็นสถานที่เหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรถ้าในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยใดๆก็ตามเวลาจะเริ่มบาเพ็ญเพียรทางจิตจึงต้องพยายามสแสวงหาสถานที่ที่ก่อให้เกิดความส ง, งัดที่ท่านใช้คำว่าสุญอยากคานบ้าง คือเรือนที่ว่างเปล่าไม่มีคนพรุกพล่านรบกวนหรืออย่างน้อยก็สามารถปรีกตนหาความสงบในส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านเพื่อให้ได้เสพเสนาสนะอันสงัดและเมื่อได้ปัจจัยเหล่านี้ก็จะทรงสอนในลักษณะกระตุ้นเตือนให้คนรีบเร่งใช้ความเพียรพยายามพระผลทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าที่เกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าหรือแกพระอรหันตสาวกก็าตาม จะต้องเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามของบุคคล น, นั้นเป็นประการสาคัญพระผู้มีพระภาคเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงบอกทางให้เท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของบุคคลที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองปริยัตินั้นเป็นแต่เพียงเครื่องส่องทางและชี้ผิดชี้ถูกให้แนวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะให้ควรเท่านั้น ความเพียรพยายามเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงไว้ว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายจะต้องกระทำด้วยตัวเองความเพียรในชั้นนี้เน้นหนักไปที่ความเพียรซึ่งจะต้องใช้ทั้งทางกายและทางจิตเป็นการดึงเอาธรรมะที่กล่าวแล้วในตอนต้น เข้ามาประกอบใช้ในจุดนี้ด้วยเพื่อให้มีคุณภาพของธรรมะสูงขึ้นเช่นในชั้นของอินทรียสังวรก็ดึงเข้ามาอยู่ในจุดนี้โดยให้บุคคลพยายามปลูกฝังความพอใจในการที่จะสำรวมระวังอินทรีย์และในการสำรวมระวังอินทรีย์ดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายๆจึงทรงแสดงว่าให้ปลูกฝังความพอใจ ใช้ความเพียรพยายามปรารกความเพียรในการที่จะไม่ให้บาปบังเกิดขึ้นภายในจิตใจและอาศัยคุณธรรมเช่นเดียวกันนั้นพยายามละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วพยายามสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นและพยายามรักษากุศลคือความดีที่บังเกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมไปการทำงานในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่จะต้องกระทาในลักษณะที่ติดต่อกัน เพราะการปฏิบัติธรรมะในชั้นที่ละเอียดขึ้นไปนั้นขณะต่างๆเป็นไปได้เร็วคือทั้งเรื่องของความสงบความมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันพวกกิเลส ต, ต่างๆก็แทรกซ้อนขึ้นมาได้เร็วอย่างการปฏิบัติเพื่อความสงบนั้นมันมีลักษณะเมื่อความสงบคืบคลานไปโดยำลำดับจิตใจจะมีลักษณะเจือจางจากความเศร้าหมองลงไปคล้ายๆกับผ้า ที่เริ่มจะขาวขึ้นถ้าหากว่ามีอะไรตกลงมาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็นจุดดำจุดด่างขึ้นมาได้การปฏิบัติจึงต้องมีการกระทาที่สืบต่อกันไปและในจุดใดก็ตามที่ละบาปได้แล้วหรือทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วจะต้องรักษาในจุดนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติคืบคลานไปโดยลาดับเมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะทรงแสดงในรูปของผล ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้แก่สมาธิในชั้นต่างๆจนบรรลุรูปประชันททั้งสี่ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานรูปประชันททั้งสีที่บังเกิดขึ้นนั้นก็มีอารมณ์ที่เป็นหลักอยู่5าประการซึ่งเป็นตัวการสาคัญที่จะปิดกั้นนิวรณ์เอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นรุ่มรุมจิตใจเมื่อนิวรณ์สงบ ลงไปจากจิตใจจิตใจก็จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเพราะการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีการอิงอาศัยและเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งการเลิกกันดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงขั้นตอนของใจสิกขาจึงทรงแสดงว่าศีลที่บุคคลสมาทานศึกษาดีแล้วย่อมทาสมาธิ ให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นและปัญญาที่มีเกิดขึ้นเพิ่มพูน ส, สูงขึ้นภายในจิตก็กลับมาชำระศีลและชำระสมาธิของบุคคลให้มีความสะอาดมีความสงบสูงขึ้นไปโดยลำดับผลในทางพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน ตามสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติซึ่งเป็นการเชี่ย้เห็นถึงลักษณะของการแสดงธรรมะแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อที่สที่ท่านแสดงไว้ว่าทรงแสดงธรรมะเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับผลตามสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะที่ทรงแสดงในลักษณะที่สืบต่อกันอย่างนี้ เมื่อเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของปิปัสนากรรมฐานคือการน้อมนำเอาปัญญามาพิจารณาให้เห็นนามรูปตามความเป็นจริงโดยเทียบเคียงกับหลักของพระไตรลักษณ์และผลต่อจากนั้นก็คือพวกวิชาความรู้จะบังเกิดขึ้นในจุดต่างๆวิชาความรู้ซึ่งมีลักษณะเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นในจุดนั้นๆก็จะทาหน้าที่ขจัดอวิชาในจุดนั้น ให้บาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปจิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมีความสว่างเต็มที่ซึ่งก็หมายความว่าอาวิชชาได้หมดสิ้นไปแล้วจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นวิชาได้เปล่งประกายขึ้นทําให้ผู้ปฏิบัติเหล่านั้นเข้าถึงความส ง, งบอย่างเต็มที่และจิตใจของท่านที่ได้สัมผัสผล คือความสว่างและความสงบเช่นนั้นก็จะกอบไปด้วยความกรุณาอย่างสูงในสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการที่จะช่วยเหลือให้สัตว์อื่นบุคคลอื่นได้รับความสว่างได้รับความสงบเช่นเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสมาเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความมีธรรมะซึ่งปฏิบัติขัดเกลามาโดยลาดับซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดที่แตกต่างกัน ระหว่างผลจากการปฏิบัติธรรมและผลในด้านของโลกิยธรรมนั้นมีข้อที่เห็นได้ชัดก็คือว่าคนที่มีความร่ำรวยในด้านทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกิยะมากมายนั้นจะไม่มีความรู้สึกอยากช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความยากจนแต่ว่าพระเดียเจ้าทั้งหลายที่ได้สัมผัสผ ล, ผลอย่างสูงในพระพุทธศาสนาแล้วความรู้สึกต่อไปของท่าน คือต้องการจะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขากาลังประสบอยู่และงานของท่านหลังจากได้บรรลุมรรคผลแล้วก็คือการทำประโยชน์เพื่อกลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช่นเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์สาวกในชุดแรกได้กระทำบาเพ็ญมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าพระกวาพระสงค์จาแนกแสดงธรรม มีลักษณะขัดเกลาฝึกปลือคนไปโดยลำดับและให้สามารถสัมผัสผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในชั้นนั้นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป